เอาจากคนญาติโยมทั้งหลายเอาจากจังงธรรมะขอังมีเรเี่เยเสบายอย่างบของ้องนี้นะวันเป็นวันมหามงคลนนี้่งญาติยทั้งหลายจ้กรุงเทพม ห, หานครเราเีย่งพระษมม เป็นผู้ปฏิบัติวัดปฏิบัติในป่าที่ยากที่ใครๆจะมาเห็นอย่างนี้สภาพที่อย่างนี้ถ้าไม่มีใครแนะนำไม่มีจังใจไม่มีัาถาก็ไม่ ม, มีใครจะมา อ, มอย่างใาญาติโยมทั้งหลายาางงาเห็นแน่นะนั่นเมื่อมาถึงพระทีน่นี้การแจนรับญาติโยมก็จ ม, มได้อย่างนั้นจึอขออภัยญาติโยมทั้งหลายทุกๆท่าน ทอสถานที่นี้ที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติทางพระทางโนมทางอาบายสุภาษิกาอยู่การามธรรมชาติในป่าเมื่อพวกเราทั้งหลายมาถึงที่ น, นี้ก็จะเหตให้ใจระลึกถึงเจ้พุทธเจ้าซึ่กั้นอยู่ในป่ากป็นป่าทัดอยู่ตามธรรมชาติแต่ในป่าชนิดก็ยังมีนะถ <c oughs> ้าในเมืองหวงก็ยังมีชนิดหลายองค์เหมือนกัน มานทกมานอยู่นี้แต่ว่ามันสบายใจแต่ว่ากายมันกรทุก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าใจมันสบายมนุษย์เราทั้งหลายนี้โดยมากก็พึ่งหาอาหารทางกายกันแตโดยมากอาหารทางจิตนั้นที่เป็นของคือสำคัญพวกมนุษย์พุทธปริษั์เราทั้งหลายไม่ค่อยเข้งถึงอาหารจิต อาหารทำใจของพวเราทั้งหลายนั่นพอความจริงนั้นคนเราทุกๆคนตอนสุนเด็จตอนสัมมาสัมพุทธเจ้าจันทร์กล่าวว่ามีกายส่วนหนึ่งแล้วมีใจส่วนหนึ่งซึ่งมันจะจัดแก่พวกเราทั้งหลายท่านทุกวันนี้ก็มีกายกับใจกาใจมันสบายกายกายมันสบายนี่นก็หมดเรื่องแล้วมไม่มีอะไรจอเติมไปอีกแล้วถ้ากายมันทุกข์ถ้าใจมันทุกข์ก็วุ่นวาย ทัโลกมันจะกว้งขวางมันก็แทบเข้าไปดีๆอย่างนี้อันนี้สิ่งที่สําคัญที่มีอยู่ในตัวของศพทั้งหลายนั้นซึ่งก็ผู้มีปราชญของเรานั้นที่ท่านจะสอนนั่นก็คือมีของสองอย่างคือมีใจยอย่างหนึ่งก็มีใจอย่างหนึ่งเราทั้งหลายซึ่งทำกันรักษากายรักษาใจให้มันมีความถูกต้องตามธรรมะก็จะมีความสงบระงบับอาหารทางกาย ือการกินอาหารอาหารคือคำข้าวสาราพัดอย่างที่มันไปหล่อเลี้ยงสภาวะร่างกายให้เป็นอยู่นี่เรื่องอาหารทางกายมีคำข้าวเป็นต้นเป็นไปทานหล่อเลี้ยงทางกายแต่ก็เมื่อร่างกายนี้มันมีอาหารสมบูรณ์อริสอร่อยจใจเราไม่สบายไม่จะสบายไม่ได้สบายไม่ได้ จะนอนในห้องแอร์มันก็เย็นเฉยเฉมันไม่สบายอความเย็นก็ความสบายมันต่างกันมันไม่แทนเดียวกันถ้าใจเราทําความผิดมีความผิดอยู่ในใจห้องแอร์มันก็เย็นเฉยเฉยมันไม่สบายครับถ้าใจเราทํากายเราทําวาจาเราทํากายเราทําที่มันถูกต้องมันมีความผิดในความเสียหายอะไรทุกอย่างนะ เราจะนอนอยู่นั่งอยู่ในป่าอย่างนี้ก็มีความสบายไม่จำเป็นจะห้องแอร์เลยนะอาหารสภาวะอาหารที่นั่นเต็มอยู่ได้ากวันนี้รออยู่แล้วมีา้งทานวันละมื้อในสามมื้อที่ีโโอนออรนะขึ้นะดเดจาก่อนท่เตดทางวี่มื้ละหมดนะมาระมาณนี อย่างนั้นแหละคือเราไม่กำหนดว่าจะอยู่ในฉันวิเดียวเนี่ยฉันเกิดมาเป็นก้อยอืมนะพอที่ดูเยอะแยะนี่น้ำแข็งยอนไปทีก็ไม่เจอจะด้หนิก็ไม่เจอแล้วอาจมาเอาพระฝรั่งมาไรเงี้ยมีเคยฉันน้ำแข็งร่รยอนงไม่ถามเพียงไน้ขงครับรั่งสดน้าเ ผมคิดว่าลมมันแข็งมันมีครับมันก็สบายดีเง้นี่ยแตคิดว่าลมมันแข็งนีมันก็ยุ่งมีไม่มีดัแข็งแล้วเนี่ก็อยู่กันสบายเนาะข้อกายมันสบายใจมันก็สบายอือหนีอยู่ไปนี้เนี่ยไมื่ออาหารทางกายถ้าว่ามันอ้วนมันพีมันอิ่มมันเต็มใจมมนอิ่มมันก็เป็นทุกข์นน่ออาหารทางใจมันสบาย ยึรแต่อย่างง่ายๆมีครูบาอาจารย์มีความสามัคคีพร้อมเพียงกันทุกเรืาอนี้ว่าไม่มีอะไรเมื่้คาร า, าดครอบครัวพองเราทุกๆครัวนะน ถ, ถ้ามีอารมณ์กติกถกกันแล้วมันก็มีความสบายหมดัเลยอาหารตาัดจิ้นี้มันสบายมากดังนั้นเรื่องจิตใจนี้จริงเป็นของสําคัญมากที่สุดเพราะผู้มีแต่ภาคของเราท่านจึงให้เรื่อวามจิตรักษาจิ ต, ตเพราะอะไร ตาเลยเห็นหูฟังจมูกเลยกลิ่นรื่น เ, เลยรถก็ไปกายเลยปวดสะบก็ไปทิ้งให้ใจให้ใจแบกคนเย่ให้ใจบริหารคนเย่อะไร้ายาขึ้นเรานั้นเน่ยตาไปทิ้งให้หูไปทิ้งให้มไปทิ้งให้รนไทิ้งให้กายไปทิ้งให้แหละตะกันนี้ไปดังนั้นจิตใจนี่จริงเป็นของสำคัญกองทุนโดยแต่สมาสามพระเจ้าเปนคนระง พวพุทธบริกัททั้อย่าลย่าลืมใหาเขาไปเห็นจิตของเจ้าของท่านจึงจัดพห้พวกมนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายนั้นแล้วพยายามมีประโยคน์พยายามปีกตัญาตรัสว่าสีเรนาสุกจิงยันติสีเลยนาโคขจัมปธาสีเรนะมิปุจิยันติสัตตม่าสีรรงมิโสตะเยท่านกล่าวว่าพวกเราทั้งหลายจงวนสู้ปะตันมีสี ศิลนั่นเป็นของเย็นศิลนั้นเป็นของสะอาดศิลนั้นเป็นของสงบศิลนั่นเป็นของนะครับเมื่อใครภากันมีศิลนั่นจะไม่มีการมีภามีการจะทำบาปต่างกายตัางวิชาตั้งใจถ้าใครมีศูนถ้าใครมีศูนก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ ต่อไปการยิ่งตมนุษย์ที่จะสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็จ ะ, จะเป็นพระอริยะบุคคลไปในด้านจิตใจในนมามธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมภายในทา ง, งจาตนนิตของเจ้าของนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็น้าทีา่แต่นาพวกเราท่านทั้งหลายนะเกิดมาจะไม่รู้ว่าเจ้าอะไรมาจะไปก็ไม่รู้ว่าเจ้าอะไรไปก็ไม่มีใครนําอะไรมาก็ไม่มีใครนําอะไรไป แตดมาแล้วก็มายิ่งกันอยู่อย่างนั้นหลย น, น, นะแต่เราไม่จะเอาอะไรมาเอาอะไรไปถ้าเรามานุษย์มีจิตที่เป็นาดีนะเจ้าผู้มีเปล่าปากของเรากันจริงจังมากวันคืนรวมไปรวมไปวันนี้เราทําอะไรกันอยู่อันนี้ก็ค้ายๆระว่าพเจพูดไปเจ้า่ถามถึงความเป็นอยู่ของพวกเราหลายหลายด้วยแต่อันที่มันเป็นคำพูดของท่าน ถ้าพูดก็ได้เลยก็เฉยๆมันเป็นวันหัาดของท่านวันคืนรวมไปรวมไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เพืดเด่อเรื่อง่ะยรเหมือนหัวฉันเป็นตัวมาพูดให้เราความจริงคํานี้มันเป็นคำที่จเราพิจตรณาดีดูไปได้เพราะว่าวันกับคืนเนี่ยเรามีอะไรวันนี้เราทําอะไรอยู่มันมีอดีตมันมีอนาคตมันมีปัจจุบัน ว่าอาดีตเราทำอะไรได้บ้างอนาคตมีอะไรบ้างปัจจุบันเราอยู่อย่างไรเราควรคำินควรยึดถือควรคิดคิดเจตนาให้เจาของเอมันได้เพ่มท่านนุ่งว่าพูดง่ายๆก็เรียกว่าห้ามการจะทำความผิดผิดอะไรทุกอย่างการทำผิดมันจะสบายผิดแล้ ม, แลแลมันจะไม่ถูกเลยคือเราน่าจะกระตุ้นสิ ผูมีศีลจะมีสุขข้อศีลนั้นไม่ทำไมใครไม่ละลานใครไม่เจตระใครไม่เบียดเบียนใครศีลนั้นมีความถูกต้องทางกายทางวาจาท่านนี่กระซิบเลยน่ะสุกกระจิงยันตีมันจะมีความสุขคนไม่มีหัวไม่ทุกข์เกิดมันก็ระงับทุกทุกมันก็เกิดขึ้นมาเราจะนั่งอยู่มันก็เป็นสุขเราจะเรินไปมันก็เป็นสุขมีความสุขมีควานสงบนั่น นี่เราเสนอชีเลยนะสุขจริงยันจีนี่คสมบัติของมงคลสี่มีชิ้น ม, มีเรือนี้ทุกชีเลยน้าโพคความบัตทาโุคะอันมันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติกายบริสุิ์ใจบริสุทธิ์แล้วโพคะอันนั้นเป็นโพคะที่เยี่ยมยอดเป็นโพคะที่บริสุทธิ์สรภัเป็นโพคะที่เรียบร้อยเป็นโพคะที่มีชีดมีภัยจะอาไปบริโภคจะเอาไปกินไปทานบริจาคที่ไหนก็เป็นมงคล เป็นบรรทุกันมันคงในวงใจของฝรจันทังร้ายสีเรณะสุกติญิสีเ น, น, นากสัมปันธาสีเรณะนิโคติญิลําลีสุทเยท่านพูดแต่เรื่องสิ น, นั่นเดียวีเองนะจะไปถึงข้ามิพานซึ้นมันมีความเกิดมันมีความแก่มันมีความเจ็บมัน ม, ม, ม, มีความตายมันมีอะไรอะไรตังสิ้นเองหมดเกลนนั่นก็ิ วิธ น, นั้นพวกเราเราท่านทั้งหลายนั้นวันนี้มีทางทานวันนี้มีทางทิ้งคุณอาจารให้ทานเครื่องอุปกรณ์เป็นทานาบารามีบารามีคือทานาบรารมีนี้พระพุทธเจ้าทุกองค์ชาวโลกทุกองค์จะต้องบำเพ็ญไม่บำเพ็ญทานาบารามีเลยเ็ไม่ได้อันนี้ันเป็นอางต้น เส้นวารมีนีและเป็นคนทำมันยอดยิ่งพระองค์สมเด็จตัศมาสมพุทธเจ้ า, าขอให้จีรนาภานกถากล่าวรงการให้การให้นี้มันมีประโยชน์มีความสุขมีความสงกมีความสงบเรีเยไปเห็นง่ายว่าวันนี้จะไปขโมยของคนมาจะสบายใจไหมง่ายนี่พอไปขโมยรถเข้ามาไปขโมยของเข้ามาวันนี้จะมีความสบายหรือเปล่า คิดไปย่นไปด้วยวันนี้เราทุกคนพยายามื่อสารสิ่งเล็กน้อยก็จะบำรุงนะให้พระเจ้าประเสริวิริยานี้นมีควาเยี่ยเป็นจุกคป็นเล็กเป็นน้อยและ ส, ระสารไฟนี่มันมีความถูกไหมมันมีความพอใจมันมีความอิ่มใจอย่างนี้เท่านี้มันจะต่างกันกับการให้และการเอามา การเสียสละความจริงๆเนี่ยมันจะถูกแล้วเห็นแล้วความสบายใจความสบายใจความทาที่ถูกต้องนั่นแหละท่านเบบบุญยังญาติโยมทั้งหลายมาวันนี้ทุกข์ก็ฟุ่มเที่มาจาบุญเราได้เสียสละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ท่านมั น, นมันมีทางที่ถูกต้องแล้วมันก็สบายแล้วความสบายความไม่มีโทษความไม่มดภัย ความสบายอกสบายใจความสงบระงับที่อมที่ทนเดียกว่าทำที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องงดเพียกว่าบุญแต่ก็ตกเจ้าแต่เรียกว่าบุญการกระทําที่ไม่ถูกต้องอ่ะเกิดละล้านเขื่อนมือนลุกเดือดกันเนี่ยให้เดือดร้อนวุ่นวายนั่นเกอนดายทำไม่ถูกต้องการกระทําที่ไม่ถูกต้องฉันเดียกว่ามันผิดการที่ว่ามันผิดนั้นฉันเดียกว่าบาปนั่นเอง บาปก็คือความทุกข์บุญก็คือความสุขในทางที่ชอบเมื่อเราพูดในเห็นกัน ง, ง่ายๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่อชนั่นบนรรดาสาสตร์เชินทางหลายวันนี้พร้อมกันมามีโยมต่อสถานีท่า น, นมา ก, กราบมาไหว้มา่อคุตติบทจิตจีนี้ท่านเป็นผู้มีปัญญา ค น, นคนพูมีตัณย์ยาแปลกๆเหมือนกันเบางคนผิดแปลกๆเนกัน แ, แต่บา ง, งบคนเห็ตลอบสมไม่มีตัณย์ยาละบ้านเฉยๆมามายังในป่า น, นะบางคนใครบางคนคนโง่มามีตัญญาสร้างบ้านดีแล้วไม่อยู่สร้างที่อยู่ดีๆแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ในป่านี้ต้องกระเด็นชนโง่นบางทีก็เห็นอย่างนี้อะไรก็สร้างโชนโง่ฉลาดอยู่ในใจของเราโดยกแต่ละคนนะอันนี้มงึมองมมีใครมองเห็นแต่นั้น คือ่านโรงงนเป็นคนแสกใจบุญขุนทานถึงงานโยธรรมะก็ธมะกรถามว่าจะบวชไหมมีบวชหมยงครับถ้ า, จ, ดดออาจะบ ว, ว, ยยไวชไ ด, ด้สมรสไปเข้าเป็าจะหมเสือธรมะก็ปอยโยนเลยปล่อยโยธรรมาก็จะเล่นม่อยู่ฟ้าอยู่อืออยู่นี่นี่คือคนที่จะต้องอยู่ไม่ต้องทาอะไรให้ไปอยู่นะอืมรักษาง่ายารักษาง่ายอ ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนไอ้พืชพันธุ์ต่างๆพืชจะรดน้ำบ่อยๆไม้ตามธรรมชาติในป่าอย่างในโรงไม่ต้องรดน้ามันเสียวสูงเหมือนไอ้พันที่เราปลูกไอ้ต้นไม้ที่เราปลูกที่บ้านน่ยรดน้ากันถุงวันมั้ยรดน้าทุกวันมันต้องมีอยากจะไม่สวยจะนอ่ะนั่นเนี่ยว่ามันจะธรรมชาติมันดัดแปลงมันข้าแน้นที่ไม่เยอะประมาณนี้มันกันโดมากปล่อยไปเลยอยู่ยังไงกินยังไงก็ดูไปแค่เนี่ เหมือนเวลาคนเราที่มีศรัทธาแล้วมาอยู่กับพวกทั้งหลายที่มีใจมีจิตศรัทธาปฏิบัติแล้วมันก็ชื่อมเขาเองทําเองเหมือนกันกับบัวกระบัวมันกินอะไรมันกินหญ้ากระบัวมันกินหญ้าเอากระบัวมาปล่อยไปสนามหญ้าถ้ามันจะถั่วมันก็กินหญ้านะถ้ามันอยากินหญ้ามันจะเป็นหมูเท่านั้นเนีะยนะ คนที่ทมีศรัทธาเนี่ยเอามาปล่อยในงานาบคุณใต้เจ้าป่ะเสซึ่งปฏิบัติกันแล้วไม่ต้องสอนอะไรมากหรอกผมพระท่านทำเหรียญเงินท่นนานทมอย่างไรดูไปดูไปมันก็ชอบแล้วคุณจะทำเท่านั้นไม่ต้องยากไม่ต้องลาบากที่เดียวอาศยตัวเองเหมือนกันกระว่ากระว่ามันกินหญ้าเอามาปล่อยใสสนามหญ้ามั น, นก็กินญาเท่านั้นแหละถึงนี้มันกิยยก น, น, น, น, นย้าก็ไม่ใช่ว่าเท่านั้นเอ อันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันลูกจิตใจคนเจ้าขอเหมือนกันแับนั่นมันมีอันไหนอันนี้ในจิตใจของคนคนนั้นแหละอ่าอ่าถ้าหากว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมดามันเห็นมันมองก็ปฏิบัติเองนี่ฉะนั้นญาติโยมทึ่งเป็นพ่อบ้านแม่ว่านลูกหลานทั้งหลายนั้นการทนายขลิน่ะพ่อก็ไปว่านลูกสาวร้องไห้เลยนะอันจะมาผมอยากจะเห็นเหมือนกันแนี่คนยังไงคนร้องไห้นี่นะ วันนี้สึ่มมาเห็นเลยล่ะนะเห็นแล้วก็เลยบอกว่าอาหารทางจิตอาหารทางกายมันเป็นีกอย่างไอ้สิ่งที่เรายังไงรู้จักอันนี้ ใ, ใครไกัน ท, ที่เป็มันติดช่องเสียมีแล้วอย่างเนี้ยออแม่ดิรู่จะมาเห็นวัด น, นี้แต่าะพ่อกันมาผมบอกอย่างดีๆของอยู่ ป, ป่าเนี้ยไอ้าคนไม่มารู้มาดูมันก็ไม่เห็นมันอยู่ในป่าของอยู่ใน ป, ป่าก็มีของอินๆกันนะถ้าคนรู้จักนะ ทีไม่ใ่องียู่ในเมืองอย่างเดียวนะในเมออไม่ดเ ย, ยั่นนันี่ตเตงสมเด็จพระสัมาสัมพุทธเจ้าผู้มีศรัทธาสรรเสริมอยู่ป่าท่านโตดท่านจะเกิดอยู่ในป่าออปฏิบัติโตปฏิบัติอยู่ในป่าให้พระธรรมสมโต้จ้นาเป็นไปในยุคยุคเร่องมาก็ให้อยู่ในป่า ก, กัจจารูก็กัจจารู้ในป่านิพพานต้องแต่นิพพ า, น, า น, น, นอยู่ในป่านี่ เราควาไปี่นี่คิดนาดูว่ามันเป็นยังไงมันเป็นป่าใจป่าเราใจใจแราวมันเป็นป่าใจแลาวมันสว่างสบายอือมันเป็นเช่นนั้นของที่อยู่ในป่าที่อยู่ที่อาศัยนี่มันเป็นส่วดีูดดืมจิตใจของมนุษย์ตทางไหแต่นั้นไอ้็นจัหลายจำพวกจับมันหลายชนิดชนไม้มันหลายอย่างอยู่ในป่าทั้งนั้นแหละ ถ้าเพี่เจอจนาแล้วข้อประพฤติประจวบนี้เราจะค้นในยมีปานี้ผมเถอไปตเดียมันเดือดจะออกจากกระไตปิดกละอยู่ในนี้อือฉะนั้นบรรดาสาวเชริญตางหลายคึงมาพบยในป่าอย่างนี้อือบางคนก็อาจจะแปลกใจว่าอยู่กันยังไงกินกันยังไงอะไรกันยังไ ง, งได้หลายอย่างอือฉะนั้นพระเนนบางเลงกินมาจากในเมืองหลวงก็เคยมาอยู่แต่มามากไม่เฉพาะเจาะจงในเมืองไทยเมืองนอกก็เยอะไป อยู่ในยเนี่ยเืิมันมากต่เพราะว่ามันมีอะไรอะไรอยู่ตรงนั้นแหละที่เป็นเหตเป็นมนุษย์ทั้งหลายสานใจเ็กติยนาจีความจริงนี่ฉะนั้นองค์สมุดจสามาสัมปุจ้าจัตุจาิว่าสียเราสุติงเยนติสีเรนาโพกัมปะทายีเะนิโมจิงเันติปัจนะมาสีรังอิสุติเยขวกเราเทั้งหลายทุกคนถ้าพร้อมเพียงกันมีศรรมิลมีธรรม มีใจยมีวาจาอันบริสุทธิ์ให้จี่จุดทั้งแล้วควกชาวมนุษย์เราทั้งหลายนั้นจะหมดเพ้อฝันโมการทำลายในการเบียดเบียนในการเกลียดใจกรโจดในการอิจฉาในการปฏิบททัติกันนั่นมันจะหายไปเสื่อมไปเมื่อทีทั้งหลายเหล่านี้มันเสื่อมไปความสงบความระ ง, งับจะเกิดขึ้นมาตั้งขึ้นมาในที่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเปลี่นต้น น, นั่นแหละ ว, วันนี้ขอสาธเตชมทั้งหลายจงประกันตั้งหลบจังใจ ที่เราเคทํามาแล้วในวันนี้ส็ดีทํามาแล้วในวันหยังก็ดีที่ยังจะในทําในอนาคตนั่นก็ดีขอจนทํากายจทำวิชาทาจิตใจของนายถูกต้องตามหลักของศาสนาตามพุทธเจ้าของเรานั้นถ้าหาก เ, เราทํามีความถูกต้องในทางอกกดีตกรีทางปัจจุบันณกรีทางอนาคตกรณีในการไ่กันมาต้องไปกันย่างดายนั้น จะมีความสุขกายจะมีความสบายใจจะมีความถูกต้องสงศมุ่งมา่นปัจนะของท่นพิจารณาฉะนั้นว่าท่านทั้งหลายได้รับโอวาทชนรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จเทวีมาชมพูตะเจ้าแล้วจงมีน้อมกระไปเป็นโอเปนายุจะทำในจิตใจของทุกท่านทั้งหลายนั้นให้มีสีเรณสุขจิตยันต์ตื่นให้มีความสุกขีเรณาโพกันปธาให้มีโชคะสมบัติอันงอกตามไปเรื่ ที่นี้นาม พ, พระจินยันต์จงยนคู่ไปหาความเือมสังดานสุขคือสนิพานนั้นก็เพราะอาการกการักจากายว่าจาใจของคนไหนมีโทษเดียวกันตัจึงแบบนี้เพราะพระสัน์ังร้ายจงกันอกจังใจจงโยนคู่น้อมไปไม่ในจิตใจของโระสันต์จังร้ายให้ที่นิ้ีตนาในธรรมะำํำสังสอนท้ององค์ฉันอยู่แต่สมาถึงเป็นเจ้าจังดาวนั้น จนขีดจุดนี้ขออย่าโจมทังร <why? S 1> ้ายมจงเป็นผู้มีความสุขกายจะได้จิตโดยอํานาจแห่งค e. on on on ุณประเสธแตนใจจงจงปกปาของปกชันทังร้ายในการเดินทางการไปตายการไปสดีการมาสวีการอยู่สดีการไปสดีโดยอํานาจบุญกุศลนี้จงปกปิดคุ้มครองโดยอํานาจแห่งคนปฏิเสธแตนใจจงยินดีจะเดินรุ้งเรื่องอราระนานเถิ